สันดานจิตชอบเวียนเปลี่ยนเสมอมันเฝ้าเพอ้อหาใหม่ใฝ่กระสันจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่เปลี่ยนสิ่งอันแวดล้อมมันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอารมณ์รถของความเปลี่ยนแปลงแฝงเจืออยู่จึงได้ดูเป็นรถที่เหมาะสมเป็นรถแห่งอนิจจัง ช่างรับลมไม่รู้ถึงจึงงมว่าเลิศดีท่านพุทธทาสพิขุหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เรา ไม่ควรจะมองข้ามและก็ควรศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ชัดเจน <shot> ก็คือหลักของกรรมนะถือว่าสำคัญมากถ้าเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมถือวเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้ กฎหมายเราสามารถที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้กฎหมายเราอาจจะหนีพ้นแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าคนโ น, น้นคนนี้จะแก้กรรมให้กับเราได้เราทํากรรมอะไรไว้เนี่ยเราต้องแก้ในตัวของเราเองคนอื่นแก้เราไม่ได้หรอก กรรมใครกรรมเขาต้องแก้ไขเอาเองสมมุติว่าในอดีตเนี่ยเราเคยกระทํากรรมที่ไม่ดีกับใครไว้หรือใครก็ตามเคยทํากรรมไม่ดีกับเราไว้เราทําให้เขาหรือเขาทําให้เราซึ่งเป็นกรรมไม่ดีตั้งในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดขึ้นมาได้เราพอมีความคิด เรื่องกรรมไม่ดีนะดีขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็จะเศร้าหมองทันทีเลยจิตใจเศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับใจเป็นทุกข์แล้วพอให้ร่างกายเป็นทุกข์ไปด้วยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเลยเราจะทำอย่างไรจรึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมอาจจะเคยนะคิดถึงกรรมในอดีต้วรู้สึกเศร้าหมองทำไมจะพ้นกรรมอันนี้อันนี้เป็นคําถามนะแต่ก็ มีคำตอบที่น่าสนใจก็คือไม่ ว, ว่าเราจะทำกรรมหนักสัตตายใดก็ตามแล้วต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทางออกมีทางที่จะปฏิบัติให้ออกจากกรรมนี้ลได้ให้พ้นกรรมได้พระทธองค์ท่านทรงตรัสไปว่าผู้ดใดก็ตามถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นำเอาหลักธรรมคำสอนไปศึกษาแล้วก็ปปฏิบัติตามก็จะสามารถพ้นจากกรรมเหล่านี้ได้ นี่เรายังมีทางออกนะจะ ต, ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยะาณมิตรคือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาวิธีการปฏิบัติที่ท่านแนะนําไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราแล้วก็สามารถจะพ้นจากกรรมตอนนั้นได้เนี่ยเรายังมีทางออกนะอย่าโมต่ว่าเออเราต้องเป็นไปตามกรรมเนาะแล้วก็ร้องไห้คืออย่าไปคิดอย่างนั้นเรายังมีทางออกมีทางแก้ไขอย่างเช่นว่ากรันใดก็าตาม ความชั่วความผิดใดก็ตามที่เราเคยทําเอาไว้แล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเราสมมติผิดรู้จักยอมรับและเราก็ไม่ทํากรรมอันนั้นความผิดอันนั้นซ้ําลงไปอีกคือไม่ทํากรรมเพิ่มแล้วก็ไม่ยินดีพอใจในกรรมไม่ดีที่เราทําเอาไว้ไม่พอใจไม่ยินดีมันจะได้ไม่สะสมกรรมใหม่ไงไม่สะสมกรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราไปยินดีพอใจในสิ่งเราทําไม่ดีเนี่ยโอ้จะเป็นการ สั่งสมกรรมเอาไว้นะเวลาราก็จะเป็นทุกข์เลยแต่ในปฏิการเนี่ยเราต้องสร้างกรรมดีท ำ, มดม ท, ด ท, ทำความดีให้มากเป็นการทดแทนทำความดีให้มากเอาไว้เมื่อความดีมันมากขึ้นกรรมดีมากขึ้นเนี่ยบางทีกรรมช่วยที่เราทำไปแล้วเนี่ยบางทีเขาตามไม่ทันบางทีอาจจะไม่มีโอกาสส่งผลเลยก็ได้เรียกว่าอาโหสิกรรมไปเลยอุมาสิากาว่าเรามีเกลืออยู่ในโอง่ง เรามีน้ําเกลือซึ่งมันเค็มมากเลยในองค์แต่ว่ามันมีแค่ก้นติดก้นโอ่์เท่านั้นนะถ้าเราเอาน้ำจิตจืดที่มีรสเค็มเนี่ยใส่เข้าไปมากมากมากน้ําในองค์ที่มันร้อนองค์ที่มีเพียงน้ําเค็มเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีน้ําที่จิตจืดเยอะเนี่ยน้ําเค็มหลึกเกลือก็จะทําให้น้ํานั้นเค็มไปไม่ได้เพราะน้ําจิตมันมีมากกว่าใช่ไหมน้ําเค็มเปรีเสมือนกำชั่ว น้ำจืดเป็นสมุนก ร, รดีเนะียใส่เข้าไปมากๆคือทำความดีนะเพื่ออะไรเพื่อผลักดันความชั่วไปมันก็ยังมีโอกาสที่จะลบเลือนไปได้ไม่ลบร้างนะแต่ลบเลือนทำให้ความชั่วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะส่งผลและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสิ่งใดที่เราทำไปแล้วซึ่งเป็นความผิดเราก็อย่าเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาคุ้นคิดจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์อย่าเก็บเอามาคิด มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วไม่ใช่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะเราเป็นเพียงแค่คนเคยทําความผิดเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทําแปลความผิดเราสํานึกได้แล้วเราทําความดีแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมเรียกมโนกรรมเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมกรรมส่งผลทันทีเลยเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่ตั้งใจคิดไม่เจตนาคิด แต่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราไปยึดมั่นถึงมั่นว่าอ๋อความคิดนี้เป็นเราเราเป็นผู้คิดความคิดที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยโอ้เกิดความยึดมั่นถึงมั่นในความคิดนั้นว่าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องรับผลกรรมทันทีเหมือนกันความคิดก็ดีความยึดมั่นถึงมั่นก็ดีเจตนาก็ดีอันนี้ถือว่าทําให้เกิดกรรมได้อันที่จริงแล้วเนี่ยความคิดหรือการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรา เป็นเพียงนามาทำเป็นเพียงอาการของจิตทนั้นเราได้ไปยึดมั่นถึอมั่นมนเลยถ้าไปยึดมั่นถึอมั่นมาแล้วก็มันก็จะกระโจนกัดใจเราเมื่อนั้นใช่ไหมเราก็จะเป็นทุกข์ทันทีเลยกรรมก็ส่งผลทันทีอันนี้กรรมทางจิตนะเป็นทุกข์ทันทีเลยแม้แต่ร่างกายก็เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นว่าเราเป็นทุกข์เมื่อร่างกายเรามีโรคภยัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังมีความพิการถาวร โอเป็นทุกข์เพราะร่างกายอันนี้เกิดจากว่าเราขาดสติปัญญาไปยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อกายนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ทันทีนะเพราะว่าโอ้เราเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นผู้พิการใช่ไหมออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีสติปัญญาสักหน่อยว่าอ๋อนี่ร่างกายเป็นเพียงรูปเป็นเพียงขันเป็นรูปผะขันมายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกเป็นเพียงแค่รูป เราเห็นแค่นี้เราเนี่ยแม้แต่สิวเม็ดเดียวที่เกิดขึ้นที่ใบหน้าอ๋อนี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องของรูปเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราความพิการก็ดีโรภคภัยแค่เก็บที่เบียดเบียนเราก็ดีสิวหนึ่งเม็ดในใบหน้าของเราก็ดีเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันคือเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรานะเรารู้ท้อทันแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวางากรันทางกายมันก็หมดไปได้เหมือนกันนะคือหมดได้เพราะอะไร เพาะว่าจิตเราไม่ยึดมั่นถึงมันกายก็เป็นไปตามเรื่องของกายจิตเราไม่ยึดมั่นถึงมันวิบากของกายกรรมของกายก็เป็นอย่างั้นแหละแต่ว่าไม่มีผลในทางจิตคือ จ, จิตใจเราไม่มีความทุกข์เพราะใจเราไม่ยึดมั่นถึงมันแล้วก็พ้นจากกรรมไดนะ้แค่มีสติรู้เนี่ยมันก็หลุดแล้วนะหลุดออกมาจากกรรมเลยนะรู้นี่คืออะไรคือรู้สึกตัวนะแค่รู้มันก็หลดุดพ้นออกมาจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่หนละ เป็นหลักทำคำสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งเราอนามาปฏิบัติโดยอาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรเพะฉอนั้นสิ่งที่เราควรจะทำในปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านไปเราเคยทำกรรมใดไว้กับใครก็ตามหรือใครทำกรรมกับเราก็ตามจงลืมซะจงให้อาภัยเขาแล้วก็ให้อาภาัยตัวเราเพราะในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เช่นนั้นแล้วแล้วก็มาสร้างกรรมใหม่ ซึ่งเป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมดีเป็นกรรมเหนือกรรมด้วยคือนำเอาหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนามาปฏิบัติคือการเจริญสติจเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจในปัจจุบันเนี่ยให้รู้ความจริงให้เห็นแจ้งประจักษ์แก่ความจริงเมื่อมีความสุขตัวแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าโอ้กายใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกมันเป็นเพียงแค่ ก้อนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นดินน้ำไฟลมอากาศสธาติวิญญาณธาติไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราสามารถปล่อยวางความยึดติดยึดมั่นในตัวตนเสียได้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแล้วก็เราจะพ้นจากกรรมทั้งปวงเลยนะพระ เ, เจ้าเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นคำถามที่มักจะถามว่าทาอย่างไรเราจรึงจะพ้นกรรมก็จะขอตอบแบบรัดรั ด, ดนจ น, นเป็นตัวปฏิบัติว่า ก็ทำความรู้สึกตัวไงอันนี้ทำให้เราพ้นกรรมเป็นคำตอบสุดท้าย